จิตของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องเป็นจิตที่อ่อนไม่ใช่จิตที่กระด้างโดยเฉพายิ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาพอสมควรแล้วมีการฝึกปฏิบัติมาบ้างมีการไปหลีกเล่นปฏิบัติการที่จะฝึกในการเข้าสมาธิอยู่บ้างจิตของบุคคลที่เป็นอย่างนี้ควรจะต้องเป็นจิตที่อ่อน อ่อนในที่นี้หมายถึงจิตที่อ่อนเหมาะอ่อนโยนควรแก่การงานอ่อนเหมาะอ่อนโยนควรแก่การงานยังไงก็มีกู้เปรียบเปรียบตรงกันข้ามก็คือเป็นจิต ท, ที่กระด้างจิตของคนที่อาจจะปฏิบัติมาพอสมควรแล้วแต่ถ้ายังทําไม่ถูกมันจะมีความกระด้างมีความเสพผิดดิ้นรนอยู่บ้าง ตรงนี้เราต้องกำจัดมันออกไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความกระด้างความเสพผิดดิ้นรนตรงนี้นิดหนึ่งพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้ระหว่างทองคําแต่ทองคําที่เป็นสินแร่ทองคําเดิมยังไม่ได้ผ่านการถลุงมันก็เป็นทองที่หยาบในภาษาทางช่างทองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นทองที่เนื้อร่วน แล้วก็เป็นทองที่ไม่มีรมัศมนะีไม่ส่งแสงแวววาวแต่ถ้าผ่านการถลุงออกมาเป็นทองคาบริสุทธิ100์ร้เอรซย่างี้หรือ 99.99% 99้อทองคำนั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีความอ่อนนะอ่อนในที่นี้คืออ่อนเหมาะแก่การที่ช่างทองเนี่ยจะทำงานนะเขาเอาอุปกรณ์ของขช่างทองในการที่จะแพร ทำทองออกมาให้เป็นรูปต่างๆมันจะมีความอ่อนเหมาะในการทำงานของช่างทองแต่ถ้าทองนั้นยังไม่ได้ผ่านออกมาเป็นวัสดุเป็นมีความบริสุทธิ์ถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเปราะมันจะมีเนื้อร่วนขึ้นรูปอะไรก็ไม่ได้แตกหมดเป็นลักษณะนั้นผู้ชาก็ยังเปรียบถึงเหมือนกับไม้อ ย, อย่างนี้เป็นต้นไม้หรือว่างา งานช้างอย่างเงี้ยถ้าสมัยก่อนมีงานช้างมากเขาก็จะเอางานช้างเนี่ยมาแกะสะลักเป็นรูปร่างต่างๆทีนี้งานช้างมันก็ไม่ได้ว่าเป็นเรียบเสมอหมดแตนะ่มันก็ยังจะมีจุดที่เป็นเซียนเป็นความหยาบอยู่ถ้าพูดถึงงานช้างบางคนอาจจะไม่รู้จักและด้วยซ้ำไม่เคยเห็นไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสเราจะพูดถึงไม้ก็ได้นาไม้มาสักแท่งหนึ่งก้อนหนึ่งจานวนหนึ่ง กว่าที่จะมาแกะสลักเป็นประบตัวรูปเป็นสินค้าแกะสลักเป็นไม้เนี่ยมันก็จะมีความหยาบมีเสียนของไม้รูปๆไปมันก็จะตามือบ้างตรงนั้นตรงนี้ช่างไม้เขาก็จะต้องใช้กระดาษทรายละเอียดในการขัขดขัดตรงนั้นขัดตรง น, น, รงนี้มุมตรงนั้นอาจจะยังหยาบอยู่มีเสียนอยู่ก็ขัดไปถูไปก็ค่อยดีขึ้นมา หรือยางหนึ่งก็คือเปรียบเหมือนกับดินเหนียวที่เขาใช้ในการปั้นหม้อเวลาที่เขาเอาดินมาเนี่ยดินมันก็จะมีส่วนประกอบของหลายอย่างถ้าพูดถึงดินทั่วๆไปมันก็จะมีทั้งกรวดทั้งหินเศษใบไม้เศษฝุ่นอะไรต่างๆผสมอยู่ในดินแต่ดินที่ใช้เอามาในการทําหม้อปั้นหม้อเนี่ยต้องเป็นดินที่ ไม่มีส่วนประกอบพวกนี้อยู่ส่วนประกอบที่เป็นสารแฝงเป็นเครื่องเศร้าหมองของเนื้อดินนะจะทำให้ดินมันไม่สามารถเกาะกันได้ทำให้คุณสมบัติของดินนั้นมันไปเผาไปขึ้นรูปแล้วมันก็ไม่ทรงอยู่เขาก็ต้องเอาพวกนี้ออกไปความหยาบความกระด้างพวกนี้ต้องเอาออกไปทีนี้ถ้าเอาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นเส้นหนา สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่เป็นตะกรสิ่งที่เป็นความไม่ดีออกไปแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นความบริสุทธิ์ในะความสะอาดความเหมาะสมในการที่จะําหรือเราอาจจะเปรียบเทียบกับน้ําก็ได้เขาก็เอาน้ําจากแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมาทําน้ําประปาอะน้ํามาจากตอนหนึ่งมันก็ยังมีสีขุ่นๆอยู่บ้างก็าสารส้ม มาแกว่งให้มันตกตะกอนซะหน่อยหนึ่งเราก็ผ่านกระบวนการต่างๆออกมาเป็นน้ําประปาที่บริสุทธิ์แต่บางทีก็ดื่มได้ด้วยซ้ําในช่วงที่มีการผ่านตกตะกอน ก, การเอาสารประกอบสารที่ไม่ดีความเศร้าหมองสิ่งสุขภพตกต่างๆออกไปจากกระบวนการเนี่ยนี่คือการทําให้บริสุทธิ์จิตของเราไม่ต่างอะไรจากนี้เลยตัง้งแต่บ้งมันคล้ายๆกันนี่แหละ จิตกรอาจจะมีความกระด้างความหยาบแล้วก็เอาสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ออกไปออกไปออกไปค่อยเอาออกไปหยิบออกมันก็ทำให้จิตของเรานั้นมีความอ่อนเหมาะมีความนุ่มนวลมีความสบายใจเกิดขึ้นได้อันนี้ข้าพเจ้ากาลังพูดถึงคนที่มีการปฏิบัติมาพอบ้างแล้วนะรู้ถึงการนั่งสมาธิบ้างแล้วนะได้เห็นความสงบ ที่เกิดจาความสุขในใจแล้วรู้ถึงกระบวนการละฝึกปฏิบัติมามีได้ทําอยู่บ้างวางธรรมะอยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยๆในจิตเราต้องเป็นแบบนี้แต่คือในช่วงของการฝึกปฏิบัติบางทีมันก็มีรุ่มๆุ่ ม, มดอนๆขึ้นขึ้ น, น, นลงๆงรนร้อนเย็นเ ย, นยน็วุบว่าวุบวมันธรรมดาแต่อาจจะมีเหมือนกับยาขมบ้างแต่ทีนี้พอเรากินยาขมต่างๆเหล่านั้นผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็ มันก็น่าจะดีขึ้นอานะการป่วยมันต้องหายไปหรือว่าอย่างน้อยก็ดีขึ้นบ้างแต่เหมือนกันจิตใจเราหลังจากที่ฝึกใช้ความเพียรใช้ความพยายามใส่กำลังเข้าไปฝึกตรงนั้นทำตรงนี้นั่งตรงนั้นรู้สักอ่านฟังทำความเข้าใจธรรมะอยู่จิตเรามันต้องดีขึ้นจิตเรามันจะต้องอ่อนเหมาะอย่าให้เป็นจิตที่มีความกระด้างมีความหยาบ จิตที่มีความกระต้างมีความหยาบเป็นยังไงอย่งเช่นบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมมาพอสมควรอะก็ยกตนข่มคนอื่นลองพิจารณาดูนะการที่เรายกตนข่มคนอื่นเนี่ยเป็นลนักษณะของจิตที่หยาบเกิดต่างอย่างเช่นว่าเห็นคนใหม่เข้ามาปฏิบัติอาจจะมีความคิดแวบไปหรือว่าได้กระทำว่าโอ้ยมันต้องเป็นอย่างงี้นะเธอต้องผ่านไปอย่างนี้นะฉันผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่ นาะยกตนยกคุณของตัวเองนาะยกคุณของตนเองขึ้นมาแล้วเธอปฏิบัติยังไงล่ะเขาก็อธิบายให้นะก็ตรงนี้นะไม่ดีนะไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนาะยกโทษของคนอื่นนะยกต้นข่มท่านคุณของตัวเองก็ยกขึ้นมาอวดเขาโทษที่คนอื่นทําไม่ดีตรงนั้นตรงนี้นัน่นก็ยกขึ้นมามาฟ้องมาบอกเอาธรรมะกระแทกคนนี้แหมรู้สึกสะใจเหลือเกิน ลักษณะแห่งความหยาบความกระด้างปรากฏขึ้นเราจะต้องระวังเพราะบางทีเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเราไปเจอเศษที่มันมีความหยาบมีความกระด้างอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของจิตของเราเราเห็นเราไปพบเราไปเจอตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความหยาบเป็นความกระด้างขึ้นมาเราก็ต้องหยิบเอาตรงนั้นออกหรือปฏิบัติส่วนนั้นด้านนั้นของเราให้ดี เนส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมดีแล้วเคยเจอความสุขความสงบแล้วเนี่ยก็ต้องมาคอยบอกคอยเตือนกันว่าไอ้ความสุขความสงบที่อยู่ในใจเนี่ยเราต้องรักษามันในรักษาให้ดีแต่รักษาให้ดีนะ ห, ดหมายถึงว่าให้เป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมของจิตแน่นอนพระพุชธเจ้าเนี่ยให้พวกสา ว, วกทั้งหลายอยู่ในสมาธิแนะถ้ามีสมาธิคุณต้องอยู่ในสมาธิละ่ะมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่เนะื้ออยู่แล้ว ก็ต้องระวังเดีะระวังจิตระวังใจแต่ทําอย่างต่อเนื่องเธอเจอความหยาบกระด้างต้องเอาออกพวกกิเลสเราละออกเหมือนกันบางทีเรามีความหยาบความกระด้งเกิดขึ้นมาเนื่องโดยจากเหตุใดก็แล้วแต่เราก็ต้องเอาสิ่งนั้นออกไปไม่ว่าจะเป็นการยกตนข่มท่านการยกคุณตัวเองการที่ยกโทษของครูบาอาจารย์การยกโทษของคนอื่น คำว่ า, ายกโทษในที่นี้หมายถึงว่าเอาโทษของคนอื่นขึ้นมาพูดมาแฉมาบอกมาเล่าให้กันฟัง น, นี่เรายกขึ้นมาการขี้ฟ้องการยกโทษของคนอื่นเราอย่าทําอย่างนั้นเนื่อทําอย่างนั้นแล้วมันไม่ดีเป็นความอยากความกระด้างของจิตหรือบางทีเราทําอะไรไปรู้สึกแหมเอาธรรมะเข้าไปตอกหน้าไอ้หมอนี่มันสะใจจริงๆรงิงนั่นคือลักษณะความกระด้านของจิตแต่บางคนอยู่วัดมานาน อยู่วัดมานานก็เริ่มละก็ทําตัวเป็นลักษณะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เด็กใหม่เข้ามาต้องมารายงานตัวอันนี้ต้องระวังเป็นความกระด้างของจิตพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับหญิงสะใภ้หญิงสะใภ้ที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยแต่ระวังที่แต่งงานแล้วย้ายไปอยู่บ้านสามีเนี่ยจะทราบดีทีเดียวว่าเราไปอยู่บ้านสามีเนี่ยอุณก็มีแม่สามีตัวแล้วก็มีพ่อสามีมีครอบครัวสามีเนี่ย มันก็จะทําอะไรก็ต้องระวังนะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสะพ้ายใหมนะ่เกรงใจไปหมดทุกคนะนะตั้งแต่เกรงใจแม้แต่กับสามีเองแม้แต่กับพ่อผัวแม่ผัวนะคนในบ้านลูกน้องอะไรต่างเราจะมีความเกรงใจในะที่นี้ผูช้ชาใช้คําว่ามีหิรนะิโอตะปะที่มีความกลัวและความละอายในการที่เราจะทําอะไรจะหยิบจับสิ่งไหนนะก็จะต้องคอยระวังคอยเกรงใจ มีความกลัวความละอายในทุกๆคนเลยแม้แต่หมาในบ้านคางทีก็ต้องเกรงใจมันระวังมันนี่คือสไปยใหม่ที่ที่ย้ายเข้าไปทีนี้พออยู่ไปนานวันเข้าวแ้วทีนี้อยู่ไปนานวันเข้ามีความคุ้นเคยรู้นั่นรู้นี่แล้วก็กลายเป็นหญิงสไปยที่ไม่เกรงใจใครแต่ไม่เกรงใจใครตวาดคนนั้นตวาดคนนี้แม้แต่กับ แม่สามีแม่แต่กับผัวตัวเองนะีว่าหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไร ต, ตัวเองรู้หมด ต, ตัวเองเก่งหมดตัวเองมีแต่คุณยกคุณของตัวเองเนียกตนขมท่านกลายเป็นหญิงสบายแบบนั้นเน่ซึ่งไม่ดีพระเจ้าจึงให้ทําจิตเหมือนกับสบายใหม่เห็ามานมงคลที่อยู่วัดมานานแต่จะเป็นภิกษุก็ตามเถอะจะเป็นอุบาสุอุบาสิกาที่เข้าออกวัดนี้อยู่เรื่อยๆ ก็ต้องระวังพุทจาเตือนเอาไว้แต่ว่าอย่างพวกที่บวชมาภิกษุใหม่อย่างเงี้ยบวชมาใหม่ๆโอ้โหกราบนอบน้อมคลานเขา่านะพูดจ่าระวังนะนี่คือบวชใหม่ละมีหิริมีอุตตปะระวังกายมรรพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตัวเองต่อทั้งอุปชาต่อทั้งครูอาจารย์พระภิกษุบวชใหม่ด้วยกันหรือแม้แต่สามเณรคนวัดแม้ก็เกรงใจ แต่นี้พอบวชไปนานวันเก่ 3, าสองพัรษาสาพัรษาหรือว่าคนอยู่วัดไป3ปี5ปี10ปีมีความคุ้นเคยกับคนนั้นคนนี้ก็เริ่มละเริ่มละด่าคนนั้นว่าคนนี้เธอจะไปรู้เรื่องอะไรต้องทำอย่างนี้สิพูดข้ามหัวครูบาอาจารย์อันนี้เราต้องระวังอย่าให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นนี่คือความกระต้างเราต้องเอามันออกไป ให้ทำจิตเหมือนกับหญิงสบายใหม่ให้ทำจิตเหมือนกับคนมาใหม่ให้ทำจิตเหมือนกับคนที่มีฮิริโอตปะเป็นจิต ท, ที่อ่อนโยนอ่อนเหมาะทีนี้พอเราฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่มันต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีความอ่อนโยนกวนแก่ ก, การงานเป็นจิต ท, ที่ใช้การได้ถ้าเรามีความกระดา้างความหยาบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลจากภัตตาที่มากระทบหรือว่าเป็นการปฏิบัติผิด มีความเห็นผิดเรารู้แล้วเราต้องแก้ไขความกระด้างความหยาบเนี่ยนะทุกนฟังมันไม่ได้เห็นกันหยากเลยมันดูที่พฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจาซึ่งแน่นอนพฤติกรรมที่ออกมาจากทางกายทางวาจานั้นเป็นผลของใจเป็นผลของใจที่มีความหยาบความกระด้างอยู่เราจะเอาความหยาบความพยศสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปได้นี่ ก็เหมือนกับตอนที่เราฝึกมาตอนแร ก, แรกแ่คุณยิบออกคุณล้างออกคุณเช็ดออกด้วยกระบวนการเดิมที่เราเคยทามาปฏิบัติมานั่นคือการที่เราเข้าสมาธิมีการเก็บจิตของเราไว้ให้ดีมีสติรักษาจิตมีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆรู้จักในการที่จะมีการสมรวมอินทรีรับประทานอาหารพอสมควร มีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยปฏิบัติอยู่อย่างต่อเ น, นื่องอย่างนี้สมรวมรกายว่าใจาให้ดีทําจิตให้เหมือนหญิงสบใหม่ที่จะมีหิริโอตะปะในทุกๆคนเราไม่ได้ว่าจะเก่งกว่าใครหรือว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปสอนคนนั้นสอนคนนี้แต่เราพยายามที่จะปฏิบัติจิตปฏิบัติใจของเราให้ดีให้เลิศ ให้มันเป็นเหมือนกับทองคาที่มันบริสุทธิ์ผุดป่ปองขึ้นมาได้เหมือนกับทองคาหรือว่าภาชนะสัมฤทิที่เขาขัดดีแล้วทำมาดีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเศร้าหมองไม่ได้แต่ถ้าเก็บไม่ดีเอาไปตากแดดตากลมไว้ผ่านไปสักฝนหนึ่งสองฝนมันก็เศร้าหมองได้นะจิตของเราถ้าเรามีการปฏิบัติมาเคยทำมาได้โด ย, ยเฉพาะยิ่งคนที่ เคยนั่งสมาธิจนเห็นความสุขสงบในใจแต่ได้รู้ธรรมะเห็นธรรมะเคยปฏิบัติผ่านมาจะ10ปี20ปีหรือกี่ปีก็ไม่รู้ละบางคนหลาย10ปีก่อนนู้นเคยปฏิบัติทําได้จิตรวมลงไปเป็นสมาธิแต่ว่าเพราะว่าเวลาผ่านมาเราไปครองเรือนมีครอบครัวต่างๆเหตุสมาธิตรงนั้นก็หายไปแต่ไม่เคยได้อีกหรือว่าจิตกลายเป็นจิตหยาบจิตกระต่างไป เราควรที่จะต้องระลึกถึงคุณของเนคับมาตรงนั้นให้ได้เราควรที่จะต้องทําจิตของเราเนี่ยให้มันมีส่วนผสมที่ถูกต้องอยู่อย่างเดิมเราควรที่จะต้องทํารักษาจิตของเราให้มันอ่อนเหมาะอ่อนโยนคุ้นกับการงานอ่อนมาะอ่อนโยนนี้คนที่เคยรู้ปฏิบัติได้เนี่ยจะทราบอยู่ละนะว่ามันไม่ใช่จิตที่อ่อนแอ จิตที่อ่อนแอคือจิตที่ไม่มีกําลังเวลามีใครมาพูดมาทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันจีดละ่ะมันจีดละ่ะหรือว่ามันก็จะหวั่นไหวไปตามสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขากระทํานั้นคนอยนี้ไม่ใช่คนมีกําลังนะเป็นคนอ่อนแอแต่บางทีเขาทํานั่นนิดนึงพูดตรงนี้นิดนึงอยู่ในวัดทําเสียงดังนิดนึงทําอะไรอาจจะไม่เหมาะสมเราจีดละ่ะเรากระเทือนละ่ะ เราฮึมฮขึ้นมาละอันนั้นเป็นความอ่อนแอของจิตเป็นความที่จิตนั้นยังหยาบอยู่ยังกระด้างอยู่อ่อนแอแล้วยงไงอ่อนแอมันก็กลายเป็นวันไหวไงวันไหวไปตามการกระทำของเขาวันไหวไปตามการพูดการกระทำของเขาแต่ถ้าเป็นจิตที่มีกำลังเนี่ยมันไม่วันไหวนะมันจะสบายอยู่ตลอดใครก็จะทำดีทำชั่วอยู่ในวัดนอกวัด ใจเราสบายแต่ ใ, ใจเราสบายนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้นะรับรู้อยู่ก็มันเห็นค่าตามันได้ยินกับหูมันจะไม่รู้ได้ไงรู้แต่ว่าไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนไอ้จิตที่ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนเนี่ยคือจิตที่มีกําลังอาศัยอะไรจึงมีกําลังอาศัยความที่จิตอ่อนเหมาะนี่เองแตนะ่จิตที่มีกําลังอยู่เป็นนันเดียวนะอ่อนโยนอยู่ในภายในมีอะไรมากระทบ ไม่ไหวติงมีอะไรมากระทบเป็นจิตที่นิ่งเฉย อ, อยู่ได้นั่นคือจิตที่อ่อนเหมาะนะสัพที่พระเจ้าใช้คือเป็นอย่างนี้นะมีเหมือนกับทองคำที่อ่อนเหมาะอ่อนโยนในการที่ช่างทองจะขึ้นรูปได้หรือเหมือนกับดินเหนียวที่เขาเอามากวนเอาเศษต่างๆออกแล้วอย่างดีทำขึ้นรูปอย่างดีแล้วก็ทาเป็นปั้นเป็นหม้อได้ในจะิตของเราที่เอาเศษสิ่งสโปรก ความไม่ดีความหยาบการยกตนข่มท่านความคิดชั่วความคิดหยาบมิจฉาสังกปะศีลที่ไม่ดีมิจฉาวาจาต่างๆเหล่านี้เอาออกไปเหลือแต่เป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่อ่อนเหมาะนั่นเองของที่มันสะอาดดีแล้วมีความแวววาวแล้วเป็นพวกอั ญ, ญมดีที่เขาเจริญในดีแล้วก็ตามเนี่ เราต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีแต่คืออย่างพวกเพชรหรือว่าแก้วไพยทูนมณีทับทิมพวกหยกพวกเนี้ยถ้าเราไปดูจากที่เขาเอามาจากธรรมชาติเลยเนี่ยมันจะเป็นก้อนแล้วผิวมันก็หยาบกรุกครกะไม่เป็นแวววาวเลยไม่ใช่เลย่ลไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยู่บนมงกุฎหรือว่าอยู่ที่สร้อยคอหรือว่าทำเป็นแหวนทาเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาตามธรรมชาติเขาต้องเอามาขัดมาเจรินใ กระบวนการที่ทําในการเจรไนก็คือเอามาขัดใช้กําลังใส่ลงไปมีการที่ใช้ความชํานาญในการทําด้วยพอขัดพอเจรไนบางทีเนี่ยเขาต้องเอาไปเผาในอย่างพวกทับทิมอย่างเงี้ยกว่าที่จะมาเป็นทับทิมสีที่เราเห็นเห็นเนี่ยก็ต้องมาไปเผาผ่านความร้อนเป็นหลายร้อยองศาเป็นหลายหลายชั่วโมงกว่ามันจะขึ้นสีออกสีออกมาอย่างที่เราต้องการออกมาแล้ว ก็ต้องเอาไปทําการจีรนัยการขัดอีกพวกที่เขาทําอาชีพนี้เนี่ยเขาจะต้องมีความชํานาญในการที่ว่าดูรู้ว่าสีมันจะออกตรงไหนแต่จะทํายังไงใช้ความร้อนเท่าไหร่ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่แต่ต้องมีความชํานาญดูทั้งๆที่มันยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้จีรนายแต่เราก็ต้องทําจิตของเราอย่างนั้นเหมือนกันจิตบางส่วนบางที่การกระทําทางกายการกระทําทางวาจาบางทีบางจุดเนี่ย เรายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ทำแต่เราต้องรู้สิว่าถ้าเราขัดเราทําขึ้นมาแล้วมันจะดีจิตใจของเราให้รักษาความดีเอาไว้ให้รักษาความสะอาดเอาไว้แต่บางทีแน่นอนหละ่ะท่านผฟังสินแปเปลื่นต่างๆมันมามันมาตามภาษะมาทางทีวีบ้างถ้ดูทีวีมากก็เปได้เหมือนกันมาทางวิทยุบ้างฟังวิทยุมากหมายถึงรายการอื่นๆนะที่ไม่ใช่รายการธรรมะจะเปไปได้ นมาทำโทรศัพท์มือถือข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆข้อความทาง SMS มันมาในการที่จะทำจิตของเราให้แปดเปื้อนทำจิตของเราให้เศร้าหมองเหมือนกับภาชนะสำริดหรือเครื่องประดับหรือว่าภาชนะทองคาที่เขาขัดดีแล้วเจรนญยดีแล้วทำมาอย่างดีแล้วเปล่าให้เป็นตากแดดตากลมตากฝนไอแดดลมฝนฝุ่นอะไรต่างๆที่มาจะ จะมาจับมาทําให้มันเศร้าหมองเนี่ยมันก็มาตามผัสสะเราต้องรู้จักเลือกรู้จักเลือกในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารแตนะ่ข้อมูลข่าวสารนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าสื่อสารมวลชนอย่างเดียวนะแต่หมายถึงผัสสะนะที่มากระทบใจของเราเราต้องรู้จักในการที่จะรักษาอินทรีย์ของเราแต่รักษาอินทรีย์สัมรู้อินทรีย์ไม่ใช่ว่าปิดอย่างเดียวไม่สนใจโลกภายนอกไม่รู้ไม่เห็นนะีเป็นคนหลังเขาก็ไม่ใช่ขนาดนั้น หมายถึงว่าต้องรู้จักรักษาอินทรีย์สํารวมอินทรียนะ์ปิดกั้นเจ้าอากุศลธรรมปิดกั้นไม่ให้เจ้าอากุศลธรรมมันเข้ามาได้แต่เปิดช่องทางเอาไว้ให้กุศลธรรมเข้ามาเปิดช่องทางอาไว้ให้ราชทูตที่จะนําข่าวสารตามที่เป็นจริงนํ้มาบอกแก่ใจของเราก็คือถ้าเราไม่มีพรรษะไม่มีการกระทบเลยเนี่ยการบรรลุธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้แตนะ่เพราะมันต้องอาศัยพัรษะ มาตามช่องทางทางในที่นี้คืออริยมรรคมีองค์แดที่เราทําทางเอาไว้แต่เราทําทางเอาไว้แล้วจิตเราดีแล้วแหมบางทีมันมีหลุมมีบ่อเราก็ไปแก้ไขให้ดีบางทีรถมันเกินพิกัดมาวิ่งมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อพังได้เหมือนกันเราก็ต้องไปซ่อมดูซ่อมแซมแก้ไขให้ดีพื้นที่เราเจอผัฒนาที่แม้กระทบกระเทือนมากจิตใจของเราเป๋ไปเลยไปฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้แหมเรารู้สึกมันสะใจ มันดีมันกระแทกจิตเขาอ่านี่ต้องระวังจิตเรากระด้างที่มาแล้วต้องระวังธรรมะเนี่ยนะท่านผฟังหลังชโลมลดจิตใจของใครแล้วเนี่ยจิตใจของผู้นั้นถ้าถูกต้องนะหลังชโลมลดอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจิตใจนั้นจะสบายแน่นอนเป็นจิตใจที่สบายลึกอยู่ในภายในยเป็นความก็เรียกว่าสงบระ ง, งับแต่ภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้คือปะะัจสถา ความสงบระงับเพราะนั้นเรารักษาใจของเราให้ดีด้วยการที่คอยระวังผันธะระวังช่องทางคืออินทรีย์เปิดให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าฟังรายการธรรมะบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างทํากิจการงานใดๆก็ให้แต่สิ่งที่เป็นกุศลแลรทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเข้าไปในใจของเราเวลาที่รับรู้สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศล สิ่งที่ไม่ใช่ไม่ดีแตนะ่เราให้เห็นเป็นเครื่องขูดกล่าวในการที่เราจะไม่ทําจะเลิกละคอยระวังไม่ให้จิตของเรานั้นสกปรกถ้ามันสโปรกแล้วทํำยังไงแต่เราจะเอาสิ่งโสโปรกไปล้างอีกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้บนนั่นนี่อย่าทําอย่างนั้นนะนั่นจะยิ่งทําให้จิตเรากระตัางเวลาจิตของเราสกปรกมีสิ่งไม่ดีขึ้นนะเราจะต้องเอาความสะอาดไปล้างเราเอาความสะอาดล้างล้างให้ดี ล้างทําความสะอาดให้ดีแล้วมันก็ดีขึ้นมาได้แต่การล้างทําความสะอาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าทําวันเดียวแล้วมันเลิกเลยแต่ก็ทําทุกวันสาราวัดเนี่ย ก, กวาดทุกวันกวาดทุกวันก็ยังมีเศษสิ่งสโปรกอยู่ทุกวันแต่ทั้งๆ ท, ที่ว่าแต่ละคนเขาก็รักษาความสะอาดแต่วันนี้กวาดพรุ่งนี้ก็กวาดอีกเอากวาดอีก็เจอเศษสิ่งโสโปรกอีกมันมาตามลมบ้างมาตามอะไรบ้างมันก็ธรรมดาแต่เราจึงต้องคอยบํารุงรักษาจิตของเราอยู่เรื่อยๆ แต่จุดที่เราจะสามารถตรวจสอบได้ดูได้ก็ตรงที่ว่าถ้ามันมีเศษสิ่งสกปรกออกมาเนี่ยอันนั้นดีนะอันนั้นดีแสดงว่าเราทําถูกจุดและเราทําดีแล้วค่อยๆ ท, ทําไปในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังนักศึกษาภัษาะสิ่งที่มันจะนําความสกปรกเข้ามาสิ่งที่จะนําความสกปรกเข้ามาในใจของเราเมื่อเข้ามาตามช่องทางภัษาทั้งหลายนี่แหละเราจึงต้องเป็นผู้ที่คอยสมรุมอินซีให้ดี สมรู้อินทรีไม่ใช่ว่าไม่รับข่าวสารไม่รู้ไม่ดูไม่สนใจใครฉันก็ก้มหน้าก้มตาทําของฉันอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่การงานต่างๆเราก็ทําไปถ้าคุณอยู่วัดคุณช่วยงานวัดก็ต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นบ้างแต่การทําหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายทําไปทํำไ ป, ำไปมีการที่รู้จักสํารูมอินทรีย์แต่ทํางานของเราให้ดีในขณะดเดียวกัน เราอยาให้ความกระด้างความหยาบแต่มันผุดขึ้นมาเราต้องรักษาใจของเราให้ดีแต่ให้ทำตัวเหมือนกับเป็นหญิงสบายใหม่อย่าให้มีความกระด้างความหยาบการยกตนข่มท่านการยกคุณของตัวเองยกแต่โทษของคนอื่นขึ้นมาให้รักษาใจของเราโดยการที่เก็บจิตโดยการที่ให้เรามีสติในสติอยู่ในลมหายใจนี่แหละจิตที่มีสติอยู่นี่แหละจะเป็นจิตที่ได้รับการรักษา ทำอย่างไรเราถึงจะมีสติอยู่ได้เราต้องอาศัยการฝึกอันนี้แน่นอนหรือเราต้องมีเครื่องมือเช่นลมหายใจเป็นต้นเรื่องของอาหารเรื่องของการที่กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยอันนี้ช่วยได้การที่อยู่เนสนาสนะอันสงังกัดเป็นคนที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายสนุนดดในบริการแห่งชีวิตอันนี้ช่วยได้แน่ทำให้สิ่งของเรามีสติแต่ถ้าเรามีความกระตัง้งความหยาบเกิดขึ้น หเหตุปัจจัยเหล่านั้นเรารักษาอย่างดีไหมเราทรงสุดตะสังสมสุดตาหรือเปล่าเนีนคือบางคนเหินห่างจากเรื่องนี้บ้างทําให้จิตมันมีความหยาบความกระด้างหืมฟุ้งฟูขึ้นมาก็ต้องระวังนะกลับไปดูที่เหตุทําทั้งหลายเกิดแต่เหตุต่หมู่ฝังเรารักษาเหตุแห่งการที่จะทําให้จิตของเรานนั้นเป็นจิตที่อ่อนเหมาะให้ดีจิตของเราก็จะเป็นจิตที่อ่อนเหมาะเป็นจิตที่มีกําลัง เป็นจิตที่ไม่กระด้างอยู่ได้รักษาได้อย่างนี้แล้วทําอยู่อย่างต่อเนื่องทําอยู่อย่างไม่ขาดสายทําอยู่อย่างเป็นประจําจิตที่เป็นแบบนี้นะท่านผู้หวังเป็นจิต ท, ที่พึ่งได้เป็นจิต ท, ที่รักษาตัวได้เป็นจิต ท, ที่ไม่ใช่แค่ว่าตัวเราเองพึ่งได้นะคนอื่นๆเขายังพึ่งเราได้คนที่อยู่รอบตัวเราจะพึ่งเราได้ถ้าคุณอยู่ในวัดแม้แต่พระก็ยังพึ่งคนแบบนี้ได้ ให้มอบไม้ให้หน้าที่ในการทํางานต่างๆได้ถ้าเราอยู่ในบ้า น, นาจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นคู่สมรสของเราเขาก็จะพึ่งเราได้เป็นจิตที่มีกําลังเป็นจิตที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาแต่ทําความดีใจความสบายใจให้กับคนรอบข้างได้ความดีจะค่อยแผ่ไปได้จิตแบบนี้ก็เข้าข่ายลักษณะของจิตที่มีความเป็นอาชาใน แําเพราะว่าโทษคือความพยศความเผ็ดร้อนไม่ว่าจะเป็นจากม้าอาชาในช้างอาชาในเนี่ยเขาจะเอาความโทษอันเป็นพยศความเผ็ดร้อนความเสพผิดดิ้นรนต่างๆเหล่ า, า, า, า, านี้ออกไปพอถึงจุดถึงที่ของมันแล้วช้างนั้นหมานั้นก็เป็นช้างอาชาในเป็นม้าอาชาในเป็นของที่คู่ควรเป็นองค์อวัยวะของพระราชาจิตใจที่เป็นจิตที่อ่อนเหมาะกุลแก่การงาน รู้ทำเห็นธรรมแล้วก็จะเป็นจิตที่คู่ควรแต่กับความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองในวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบูญอาภิปุโนโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาไปก่อนรักษาจิตให้ดีท่านผู้ฟังข้าพเจ้ารักษาให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ช่วยบอกได้ก็ น, นิดนิดหน่นนอยหน่อยแค่วละครึ่งชั่วโมงเหลืออีก23าชั่วโมงกับ30นาที เราต้องรักษาเองจะเริบมน